เาจะตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไปตั้งใจให้ตรงตั้งใจให้เที่ยมอย่าให้วอกแวกมงงองแงนมองแขนไปที่ไหนถ้าอยู่ไปที่จึงจะฟังธรรมเทศนาได้ความ ธรรมะกขึ่นงของเที่ยงของกลมอยู่กับที่จึงเรียกว่าฟังธรรมสงสายไปที่อื่นแล้วไม่ได้ฟังธรรมวันนี้จะเทศทังเรื่องความเพียรมีสี่อย่าง เขียนอย่างหนึ่งเรียกเขียนละบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจตั้งใจรักษาคงตั้งใจรักษาอะไรไม่เกิดขึ้นมาละได้แล้วห้ามไม่ให้เกิดขึ้นม า, ามนอีกเปลี่ยนละบาป ยาที่สองเรียบ่เพียนบำเพ็ญบุญเมื่อบำเพ็ญบุญขึ้นมาแล้วก็สาวยไม่บักั่วยอเข้ามามี4ี่อย่าง <c oughs> เพียนละบาไม่คนชั่วเกิดขึ้นในใจ ให้รักษาไม่ให้ผมช่วนั้นเกิดขึ้นมาอีกเพียนเจริญคุณงามความดีเกิมดมีขึ้นแล้วให้รักษาควาดีนันไว้ความดีนันไว้มีสี่อย่างเย่อๆท่านี้แหละเมื่อเราทําความเพียรพยายามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในชื่อว่าทําความเพียรนี้ทุกเมื่อ ละความชั่วนั่นคืออย่างไรมันคิดในสิ่งที่มันไม่ดีท่านเรียกว่าบาปบาปคือความไม่ดีอเองคิดในสถานที่ชั่วคิดคิดชา้าดิใจหยาคนอื่นคิดเกลียคดคิดโกรธคนอื่น คิดฟ อ, องลายล้างผ่านของคนคนอื่นคิดรักคิดขโมยเอรุ้นแล้วเด็กกลมชั่วทั้งนั้นอย่าให้เกิดขึ้นมาในใจของตนเราพยายามรักษาไม่ให้ความชั่วนะเกิดขึ้นมาอีกเราพยายามละแล้วไม่ให้กลมชั่วนะเกิดขึ้นมาอีก คันลมล่าแล้วจิตใจมันสบายเบิกบานจิตใจมันแช่มชื่นตลอดเวลาความแช่มชื่นของใจนั้นหาอะไรเปียบปานไม่ได้ความเยือกเย็นเป็นสุขสุขอนไดยังเสมอด้วความ ไม่มีปากไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปากในใจไม่มีเลยเมื่อเป็นสุขแลรวทำไมคนยังต้องอยากกะทำความชั่วคือปล่อยตาใจคนเรานี้ใส่ของคนทั่วไปงมดมันชอบทำชั่วอยู่แล้ว พืชชั่วทำความชั่วมันชอบอยู่แล้วจิตใจยในเศร้าหมองไม่พองใส่หุ่นมัวให้เกิดความเดือดร้อนนั่นในนิสัจิตใจคนดองแต่กงงันแต่พูดกันนักหนาบนกันนักหนาว่าเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์สิปล่อยต่างใจ พระพุทธเจ้าจะไม่ขัดเราใจของเราชั่วจึงเรียกว่าทำคุมเพียนพญิญามให้คิดในทางดีทางบุญทางพุทธศ น, นขัดดันนั้นมันออกไปไม่ให้มาเข้ามาใกล้ จิตใจควางสายยึดเสมอจึงเป็นความสุขสุขอะไรยะสุขเท่าอันนี้ไม่มีมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็เอาเถิงมีมวัวไวมีที่ดินกันเยอะแยะไม่ใช่สุขอันนั้นเป็นกวงทุกข์ มีมากแต่ยิง่งทุกข์มากไม่เห็นความสุขของคนเราไม่ได้ไม่มีไม่เห็นความสุขอันสุขไม่ไม่ปราศจากกังวลเกี่ยวของมันจะสุขได้อย่างไยความสุขอาได้เปิดบาน แต่มันจำเป็นคนเรานะั้นต้องอยู่กับของทุกมีเข้าของเงินทองมากมายหลายอย่างนั่นคอใจว่าดีค่อยใจว่าสนุกสบายแค่ที่จริงมันทุกข์มันแหละมันอยู่ดื้อความทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองมากมายก็บริหารรักษา มีที่ดินที่ว่งขวงใหญ่โตก็ต้องบริหารรักษามีงวปวายก็ต้องรักษารักษาก็ใครเราจะรักษาก็ตัวผู้เดียวนี่แหละตัวเรานี่แหละเป็นคนรักษาจิตใจของเราก็รักษาไม่ได้แี่ยังไปรักษาของอื่นอีกนั่ก็ไม่มีความสูกระดีอย่างนั้น นม่ใช่ว่าหัดละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีท่นเรียกว่าบุญความดีความดีท่นเรียกว่าบุญคืออะไรมันลหลั่งไหลออกมาความดีนะมัวความชั่วด่าตั้งอยู่ในความดีกุศลนะบุญอันนั้นมันลหลั่งไหลออกมาจากใจนะ อี้มเอือดอยู่กับใจนะคิดทางบูดทางบุดสนคิดเป็นไปเ พ, พื่อพ้นจากทุกข์ไม่ให้คุกขี่อยู่ได้กับกองทุกข์นั่นเรียกว่าสุขแล้วนะนยีมเอือกัความสุขจกความดีที่ตนละแล้วนะ <c oughs> นั่นความดีที่ตนรักษาไว้ได้รวมความแล้วอันเดียวกันนั่นเนี่ยละชั่วทําดีทำนั้นเนียไม่มีอะไรหรอกละชั่วทําดีคือว่ารักษาของละชั่วรักษ า, าไม่ชั่วเกิดขึ้นมาทําดีรักษาไม่ให้ความดีเสื่อมสูญไปมันก็อันเดียวกันนั่นเนี่ย นันอยู่ที่ใจของเราไม่ดีไม่มีที่อื่นรเราตั้งใจงดเว้นรักษาศีลเช่ น, ชนรักษาศีลงดเวเด้วนอย่ากลมชั่วในสิกขาบทนั้นๆเราตามในที่ท่านพนาณาตามสิกขาบทนั้นๆนั้นอย่าละกละมชั่วไม่ใช่เราไปละทั้งโ น, น้น ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เอพืชผิดไม่ช่การได้เรื่องเป็นละนั่นหรอกฆ่าสัตว์ไม่ใช่เป็นละอันขาดขาดนะมันเกิดจากใจของเรานี่ย ใ, ใจเราคิดไปเบื้องต้นเนี่คิดอยากจะฆ่าอยากจะกินเขานั่นใจได้เนื้อหนังเข้ามาเป็นเนื้อหนังของเรานี่ยคิดเบื้องต้นเนี่ยเราละตรงนี้ รักรัพก็ไม่ใช่ไปรักกัของใครมันคิดออตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตรงนี้เลยถึงหัวใจใจแท้ไม่มีการรักราาการฆ่าการรักไม่มีมันเกิดขึ้นมาที่หัวใจในต่างหากใจเติมไม่มีอะไรหรอกจะมาเคยพูดให้ฟังหลายหนแล้ว ใจคือของ ก, กลางกไม่ดีไม่ชัว่วอันนั้นในใจเดิมแต่มันคิดดีคิดชัว่วคิดจะนักขโมยสิ่งของเขาเรียกว่าฆ่าศัตร์ชีวิตอันนั้นมันเกิดจากใจนั่นแ่ละเรียกว่ามันจอนมาที่เลดมันจอนมา คือมันจอนเข้ามานั่นเองเดิมมันไม่มีอะไรมันส ว, ว่างสบายอยู่เสมอเป็นท่านพระองค์ในท่านเทศนาวจิตตัตงโอภัสสราอาคารทุเกเจเจหิจิตเดิมไม่นของของใสอาคารทุกะ ค, คือมันจอนมาต่างหากกิเลส กำลังดูดีกลังคิดอยู่ดีลองคิดดูดีสิเรานั่งอันนี้ไม่มีใครมาโกรธนะไม่มีเราไม่โกรธใครทั้งหมดทั้งหมดนั่งเฉยๆเลยไม่มีโกรธอะไรความโกรธนั้นมันจอนมาตังหะมันจะโกรธใครก็โกรธขึ้นมาทีนี้มัจนจรมาเกิดขึ้นมาในใจนี่นยทาให้ใจปุ๋มัวเอร้าหม อ, องไป <c oughs> นั่นน่ะจริงว่าใจเดิมลองคิดดูสิลองคิดคร่าวๆลองดูก็ได้ถั้าเมื่อถึงใจเดิมจะได้ควาสุขไหมรับรองว่าทุกคนต้องสุขคือไม่ใช่เฉยเลย ถ้าคิดดีคิดชั่วแล้วมันก็เป็นเป็นจิตไปแล้วพานี่ไม่ใช่ใจมันเลยกลายเป็นจิตไปละจิตแน่สิละคิดชั่วอะไรนี่จึงว่าไม่ทําบาปลการทําบาปที่ทําบาปลงไปแล้วรักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นมาอีกถ้ามันจะกลางอยู่นั่นแหะ กลางๆแล้วก็เมื่อมันเป็นบุญเกิดขึ้นมานะ่ะอกาการที่ทําเช่นนั้นได้ที่ว่าเกิดบุญขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าสาบุญทุกขสนนั้น่ะบุญ น, นั้นนะให้อยู่เฉยๆให้เป็นกลางๆนะ่นอยู่ต่อไปนั่นเรียกว่าภ า, นาวานาภาวนานี่ใครๆทำได้หมดทุกคนไม่ใช่แต่พระแต่เจ้า ไม่ใช่อยู่วัดเดียววาอย่างเดียวอยู่บ้านอยู่ช่องก็ได้คารวะก็ได้ใครทำก็ได้ล่านพุทธเจ้าทั้งสอนให้ทำทุกคนให้มีการละชั่วทำดีทำดีนี่อยู่ทุกคนเพราะจิตใจมัน พวกพันเกี่ยวฟองในเรื่องความชั่วนิสัยท่านดานมันชั่วมาแล้วแต่ก่อนคนเราจะมาฮัตใหม่หรอกนี่มาัตให้ละความชั่วมาฮัดขึ้นมาใหม่หมแห้มันตั้งอยู่ในขุณงามคพืรักษาไว้จะให้เสื่อมสูงไปอันนี้เรียกว่าทำความเพียร นี่เ็เห็นจยพอแล้วมัหนาวแล้ววนานาคือได้แก่ทำให้เกิดให้มีขึ้นแต่ก่อนมันไม่เคยมีก็ออันเดียวนั่นแหละอันที่พูดมานั่นแหละความดี ไม่เคยเกิดมีขึ้นมาคือเราตั้งสติกำหนดจิตให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอันเดียวให้ตั้งสติกำหนดจิตอันเดียวอันนี้ไม่เคยมีเดียวก่อนเมื่อตั้งสติกำหนดจิตมันก็มีขึ้นมาแล้วนะอันนั้นเรียกว่าภาวนา จะเจริญอนาปานสติก็เอาหรือเจริญพุโทโธก็เอาเพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเครื่องล่อถ้าไม่มีเครื่องล่อมันก็ไม่จิตจะเป็นอย่าง้นจิตมันส่งสายไปทั่วทุกแห่งทุกหนไม่อยู่กับตัวของเรา ยิ่งนึกเอาพุโทโธพอดีอนหรืออนาปามาสติพอดีก็นึกตอนนั้นมันก็มาอยู่กับนั่นแหละไม่เคยนึกเม่ก่อนมันก็ไม่ไม่ทราบไปอยู่ไหนพอพอนึกแล้ก็ใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับมันพุโทโธหรืออ น, นาปามาสตินั้นไม่อยู่ในที่แน่นก็ เห็นจิตของตนนะคะันี่จิตของตนจะเป็นยังไงมันส่งส่ายไปไหนก็หเห็นรู้เรื่องของมันคาราวนี้จับเอาจิตตัวนั่นแหละมันมันส่งสายไปคุดโทเรื่ น, นาปัสติกะวางวางมดเลย มันเรียกว่าภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นในที่นี้เลยจะเข้าใจเข้ากับลาพันธิวาสร้างความดีให้เกิดคือมีเนี่ยกราภาวนาประทานสร้างความดีขึ้นมาแล้วก็นอนุรักษนาประทานกับรักษาไว้สิ นั่นก็เป็นภานาเท่งนั้นแหละไม่มีพิธีวิดตองอะไรมากมายหรอกที่มีพิธีวิดตองมากมายนั้นคือเป็นเครื่องล้อถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ครังอย่างยกครูยกอะไรต่างท5านหาทั้งแตกอัฒนาก็ให้ พระพุทธเจ้าก็ทําพระสงฆ์ขอเข้ามาอยู่ในสันดานต้างๆนะในอันนั้นเป็นเรื่องเครื่องรอทั้งนั้นพระตาหากเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ต้องไปทำวิธีอะไรมากมายยืนก็เป็นภาวนานอนก็เป็นภาวนานั่งก็เป็นภาวนาเดินนีก็เป็นโาวนาทํางานทุรดาภาระเรื่องความด สิ่ทุกอย่างน่นเป็นเจริญภาวนาในตัวไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรมากมายเห็นขกรรฐานด้วยท่นเป็นกรรมฐานด้นภาวนาโน่นหพระธุดงนูน่นหรือพระกรรมฐา น, าฐานตัวของเราเริ่มไปเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานด้วท่าน คำว่าฐานมีทุกคนคำว่าฐานอันหนึ่งเพราะานาคตอันหนึ่งคำว่าฐานคือพูดทั้งเรื่องอาการของอาการที่อาการละอีของกายอาการของวาจาก์คำว่าฐานนั่นแหละคำว่าฐานห้าคำว่าฐานสามที่สองมันจะเป็นอาการ เจษสาเรามาและขาดนตตันโตนัเป็นนักขันในเดียวกับมาฐานแต่ไม่ใช่นันนั้นเป็นของมาฐานจริง น, น, นั่นเป็นเครื่องลอ่อตัางหากว่าฐานจริงอยู่ที่ใจใต่างหาส ต, ติกำลนดใจอยู่ในที่เดียวและ้ว น, ะนั่นแหละก็มาฐานนั้นแหละภาวนาให้เกิดขึ้นเห็นนั่นเดียกว่า ใครจะอยู่ในอยู่ในกตัญญูอยู่ในสภาวะเช่นใดก็ตามถึงเมื่อทำกรรมฐานแล้วเมื่อทำภาวนาแล้วเขาจะเกิดมีขึ้นมาในตงนังถูกทำคำสองพระเจ้าทุกประกาศเราควรยินดีพอใจเลื่อกใส่เมื่อทาถูกแล้วมีในตนัวของเราแล้ว พุทธศาสนาตั้งมั่นในตัวของเราหมดทุกคนเลยกันศาสนามาเผยแพที่อื่นลอยที่ตัวของเราตั้งมั่นในตัวของเราครบบริบูรณ์ตัวจะคอมนิดเข้ามาศาสนาจะเสื่อมสูญมันจะเสื่อมไปไหนมันตั้งอยู่ในใจของเราเนะ่ะคอมนิดมันเข้ามาเห็นใจเรา เห็ในใจคนเราเราเห็นใจเราเองเราตั้งอยู่ที่ใจของเราเองมันจะมาทําลายยังไงได้เขาให้ตั้งมั่นอย่างนี้เขอให้ทําได้อย่างนี้เถอะศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในใจของตนทุกเมื่อ เอาถามเลย